อยู่ในพระคัน้วนกำหนดทศมาศพระนางก็ประสูติพระโพธิสัตว์ปาติหารก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าพระนามวัดปีังกรทุกประการในวันรับพระนามหรือว่าวันขนานพระนามพระประยุรญาตเมื่อจกขนานพระนามของพระองค์เพราะเหตุที่รัตนเจ็ประการหล่นจากอากาศในขณะประสูติฉะนั้นจึงขนานพระนามพระองค์ว่าอนุมัติีเพราะเหตุเกิดรัตน์อันไม่สาม บอกว่าพอประสูติแค่นั้นแหละฝนรัตนะฝนแก้วฝนเงินฝนทองก็ตกลงมาเนี่ยนะใช่ดีนะสมัยนั้นฝนเงินฝนทองสมัยนี้ตรงข้ามฝนลูกเห็บก็น่ากลัวอยู่แล้วหลังคาแตกหมดอย่นี้ฝนระเบิดเนี่ยยุง่งเลยแต่นี้ผู้มีบุญมาเกิดเนี่ยนะมีแต่ฝนแห่งความสงบเยือกเย็นตกลงมาเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายปราศจากทุกศกโรคเวรภยัยอันตราย ก็เลยให้ขนานพระนามพระองค์ว่าอโนมาทะสีเพราะเป็นเหตุเกิดแห่งรัตนอันไม่สามผู้มีพระนามอันไม่สามผู้มีแต่ความงดงามพระองค์ก็เจริญวัยโดยลำดับถูกบำเรอด้วยการมาคุณอันเป็นที่ทั้งที่เป็นของมนุษย์ทรงครองคารวะวิสัยอยู่หมื่นปีเล่ากันมาว่าทรงมีปร า, าสาทสามหลังชื่อว่าสิรอุปสิริสิรวัถทรงมีพระสนมนารีสองสาพันนางเนี่ยนะ แล้วก็มีพระนางเสริมาเทวีเป็นประมุกก็อยู่สเสมอเรียกว่าอยู่สเสมอการมาคุณดุจเทพกุมารประมาณผ่านไปหมื่นปีก็มีพระโอรสขึ้นชื่อว่าอุปวานะอุรสของพระนางเสริมาเทวีก็ประสูตดพระโพธิสัตว์นั้นก็ทรงเห็นนิมิตสก็เสด็จออกพิเนศกรมด้วยยานคือวอ ผนวดแล้วชนสามโกรธก็บวชตามเสด็จพระองค์พระมหาบุรุษอันชนสามโกรธเหล่านั้นเวทล้อมแล้วบำเพ็ญเพียรสิบเดือนส0บเดือนนะกว่าจะรวบรวมโพธิปัจจยธรรมสำเร็จตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่หากนั้นในวันวิสาขปุรีเสด็จบินทบาตในหมู่บ้านชื่อว่าอนุปะมะพรามสเสวยเข้ามาทุ ป, ปายาตที่ที่ดาอนุปะมะเศรษฐีถวายแล้ว ทรงยับยั้งทักกลางวันณพระสารวันตอนเย็นพระองค์ก็รับญาตแปดกรรมที่อาชีวกชื่อวอนุปะมะถวายแล้วพระองค์ก็ไปประทักศิลโรพพฤกชื่อว่าต้นอัจชริะไม้กลมพระองค์ทรงล่าสัมทัศน์คือที่นั่งญาตกว้างได้38ศสิบปอบประทับนั่งขัดสมาธิอธิฐานความเพียรมีองค์สี่กรรมจัดกองกำลังมารพร้อมทั้งตัวมาปรปฐมยาม ตรัสรู้ปุเพนิวาสานุสติญาณปัจฉิมัชิมยามรู้สัตว์เกิดสัตายปัจฉิมยามแทงตลอดปฏิจจสมบัติตรัสรู้อริยสัตว์ในยามรุ่งอรุณเป็นพระพุทธเจ้าแปลงพระอุทานว่าอเนกชาติสร้างสารังเป็นต้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าให้ภาษารีบุตรฟังว่า ต่อจากสมัยพระโสดพิตะพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอนมะะุมัติสีผู้เป็นยอดของศัตว์สองเท้ามีพระยศหาประมาณไม่ได้แปลว่ามีชื่อเสียงขจรกจายไปไกลตลอดเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีพระเดชอันใครๆละเมิดได้ยากบทว่าอ ม, มิตยโสมีบริวารหาประมาณไม่ได้หรือมีพระเกียรติหาประมาณไม่ได้ พระองค์นั้นบริวารของพระองค์เยอะแยะมากมายแล้วก็ชื่อเสียงเกียรติยศของพระองค์ก็กระจายไปไกลทั่วเทวดาและมนุษย์เตชศีทรงประกอบด้วยเดชคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะก็มีเดชมากพันเดชของพระองค์นี่ยากที่ใครๆจะละเมิดได้คือศีลสมาธิและปัญญาของพระองค์พระองค์ทรงตัดเครื่องผูกพันทั้งปวงนะตัดเครื่องผูกพันคือสังโยชน0ประการเนี่ยนะตัดสังโยที่ผูก สกายะทิฏฐิวิจิกิจฉาสีละพัตต์ปรามาตผูกให้ไปสู่อบายทุกติวินิบาศนรกการมราคาปฏิฆะถูกไว้ในกาลมาพบรูปปราคะอรูปปราฆามานะอุทจฉาวิชาผูกไว้ในพบชั้นสูงคือว่าสังโยตที่ผูกไว้ในพบเบื้องล่างพบท่ามกลางและพบชั้นสูงพระองค์ก็ตัดสังโยชน์เครื่องผูกเครื่องร้อยรัก มัดเอาไว้ในภพเสร็จแล้วพระองค์ก็รู้อภพทั้งสาทั้งกามาภบรูปประภพและอารูณ ป, ประภพเนี่ยนะถ้าพบดับเพราะอะไรดับหรือพบได้ก็เพราะหรืออุปาทานหรืออุปาทานได้ก็เพราะตัดตันหาตัดตันหาได้ก็เพราะกําหนดรู้นะทวารหอารมณ์6วิญญาณหกภาษาหและเวทนาหกเนี่ยนะกำหนดรู้ทำเหล่านั้นตัดฉันทราคะตัดอาลัย ในขันเหล่านั้นสิ้นเชิงเพราะตัณหาดับอุปาทานทั้งมวลก็ดับถ้าอุปาทานดับพบก็ดับถ้าพบดับชาติคือการเกิดในกำเนิดต่างๆนิกายต่างๆหมู่สัตว์ต่างๆวิญญาณทิติต่างๆสัตว์ตาว่าที่อาศัยแห่งสัตว์ทั้งหลายในพบต่างๆก็เป็นอันสูญสิ้นเมื่อชาติสิ้นแล้วชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมาัะและอุปาญาตก็เป็นอันหมดสิ้นทุกทั้งมวลก็ล้วนแต่ดับไป เมื่อพระองค์ตรัสรู้อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะพระองค์ก็สรงข้ามด้วยอริยมรรคได้เลยวพระองค์ก็ช่วยให้สัตว์อื่นข้ามด้วยเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยแสดงมรรคข้อปฏิบัติอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ที่เป็นข้อปฏิบัติให้สัตว์ไม่กลับมาไม่ต้องกลับมาสู่ชาติชรามรณะอีกแล้วถ้าดาเนินไปตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดแก่เทวดาและมนุษย์ พระองค์ไม่ทรงกระเพื่อมเหมือนสาครนสาครนในทะเลเนี่ยไม่ไ ม, ไม่ไม่มีการล้นตะลิ่งล้นฝั่งไปอี ก, ก น, นะอันใครๆเข้าเฝ้าได้ยากเหมือนบรรพดมาไต่เข้าไปหายากเหมือนขึ้นเขาเนเข้าหายากอย่างนั้นแหละพระพุทธเจา้ามีพระคุณไม่มีที่สุดเหมือนอากาศขึ้นชื่อว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้ฉันใดพระพุทธกุณทั้งหลายก็ฉันนั้นพระองค์บาลเต็มที่เหมือนพญาสารพฤกษ์ นะถ้าใครเคยเห็นดอกสาระแบ่งบานก็ฉะนั้นพระองค์นั้นบานด้วยวิมุตทั้งมวลทั้งสิน้นแม้ด้วยการเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตว์ทั้งหลายก็ยินดีได้เห็นก็ยินดีถ้าได้ฟังพระดำรัสของพระองค์ซึ่งกำลังตรัสอยู่ก็บรรลุอมะตะธรรมเห็นพระพุทธเจ้าก็มีความสุขแล้วได้ฟังพระองค์แสดงธรรมก็บรรลุนิพพานโอ้ขนสมัยนั้นก็มีบุญจริงๆ ได้เห็นก็มีความสุขเนี่ยนะของเราก็เห็นพระพุทธรูปไปก่อนนะดูหลวงพ่อเมตตาท่านนั่งยิ้มเนี่ยนะบทว่าวิทธทางเศรษฐวาตโยภวากรรมจักจกรรมที่นำไปสู่ภพทั้งสามด้วยยานเครื่องทำให้สิ้นกรรมอธิบายว่าทำไม่ให้มีกรรมอีกต่อไปโสดาปฏิมาคเนี่ยนะทำลายกรรมที่นำไปสู่นรกเปรตอสุรกายและเดราชาโสดาปฏิมาคทาลายกรรมที่นาไปสู่ภพที่แ สกทาคามิมักทำลายกรรมอันอื่นให้กลับมาสู่โลกนี้ได้ไม่เกินครั้งเดียวอนาคามิมักตัดกรรมที่นำไปสู่กรรมมาพบทั้งมวลอาาอรหัตตมักอนาคามิมักเนี่ยนะทำลายกรรมที่นำมาสู่กรรมมาพบอรหัตต ม, มักนะทำลายกรรมที่นำไปสู่พบทั้งปวงเนี่ยนะบทว่าอนิวะติคมันังมคังเพราะ ตรัสว่าพระนิพพานอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการกลับการเป็นไปท่านเรียกว่าอนิวาตต์อธิจริงพระนิพพานเนี่ยเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นไปในวาตตไอคําว่า เ, เป็นไปเปนี่ยเป็นชื่อของสังสารวัฏเนี่ยนะเป็นชื่อของขันธ์าตุยตนาที่ไหลสืบเนื่องกันไปขันธานังปฏิปาติธาตุยตนานจาจักเนี่ยนะก็คือลําดับแห่งขันธ์าตุยตนาที่ไหลสืบเนื่องเป็นไปเนี่ย เป็นกรรมบ้างเป็นวิบากบ้างเป็นกิเลสบ้างสืบเนื่องจากพบหนึ่งสืบพบหนึ่งความเป็นไปอย่างนี้ไม่มีจบมีสิ้นอย่างเช่นอย่างของพวกเราเนี่นั่งอยู่นะจากเห็นได้ยินจากได้ยินรู้เรียนรู้รสสัมผัสนึกคิดสลับมาเห็นได้ยินนึกคิดเห็นได้ยินนึกคิดนึกคิดเห็นได้ยิ น, น, นสลับคละเท่ากันไปอย่างเงี้ยใครดับได้จริงมั้งอ้าวบอกว่าตายเดี๋ยวปฏิสนธิมาก็ เ, าเป็นไปอย่างงี้ต่อไปแต่อยู่ในสภาพเหล่าไหน ถ้าไม่แทงตลอดพระนิพพานแล้วไอ้ที่จะหัวนย้อนกลับไม่มีทางมันมีแต่ไปเรื่อยบอกไปไหนไปสู่ชาติชรามรณะโศกปริเทวะทุกขโทมานัสอุปาญาต์ไลไปอย่างนี้มุนไปอย่างนี้เป็นไปอย่างนี้ไม่มีจบมีสิ้นก็เลยเรียกว่าความเป็นไปส่วนอนิวตัติหรืออนิวัตตะเนี่ยก็คือไม่มีความเป็นไปอีกแล้วเป็นชื่อของพระนิพพานอันไม่มีการไปอีกต่อไป ถามว่ามรค น, นั้นคืออะไรก็คืออริยมรคอันประกอบไปด้วยองค์แปซึ่งเป็นข้อปฏิบัติเพื่อแทงตลอดพระนิพพานอันไม่มีความเป็นไปอีกต่อไปอพูดถึงพระนิพพานและข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุพระนิพพานนั้นมุ่งอธิบายว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเปิดเผยแสดงอริยมร์พระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าพระองค์เป็นแต่คน บอกทางพระองค์เป็นผู้บอกทางเหมือนอย่างว่าเมืองราช ค, ครึกมีอยู่บุรุษผู้ชี้ทางไปสู่เมืองราช ค, ครึกมีอยู่หนทางไปสู่เมืองราช ค, ครึกมีอยู่เมื่อมีผู้บอกทางแล้วหนทางก็มีอยู่เมืองราช ค, ครึกก็มีอยู่ถ้าไม่ไปจะไปว่าอะไรเขาเพราะเราเป็นแต่คนบอกทางชันใดพระองค์ก็บอกว่าอย่างนั้นเมื่อนิพพานมีอยู่อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดมีอยู่ พระองค์ผู้แสดงอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แต่เพื่ออย่างลงสู่นิพพานมีอยู่เมื่อเขาไม่ปฏิบัติตามแล้วจะไปว่าอะไรเขาผู้เป็นคนเขาเนี่ยนะผู้ไม่รู้อริยาศาสตร์เนี่ยนะไม่ต้องว่าอะไรเขาสักอย่างเนี่ยนะเขาชดเชยอะไรนะโทษของการว่ายากสอนยากไม่เห็นอริยาศาสตร์คืออะไรน้ําตา ม, มากกว่าน้นําทะเลเนี่ยนะร้องให้ต่อไปเธอเนี่ยนะร้องให้ต่อไปเธอเสียเลือดเสียเนื้อเสียเงื่อนเอนี่ยนะ เป็นไปในสังสารวัฏทิ้งซากทิ้งศพไว้ในวัตฏะไม่มีจบมีสิ้นต่อไปเถิดเพรา ะ, ะไรเพราะไม่เห็นอริยสัจนี้อะไรจะทุกข์เท่านั้นอีกแล้วอันกองทุกข์ของผู้ที่ยังไม่เห็นอริยสัจผู้ที่ไม่บรรลุอริยมรรคผู้ที่ไม่เห็นพระนิพพานตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงนั้นทุกข์เหล่านั้นไม่มีจบมีสิ้นแต่ด้วยพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์พระองค์เห็นความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายมุ่งที่จะเปลื้องสัตว์ให้พ้นจาก ทุกเนี่ยนะพระองค์ก็เลยแสดงแต่งตั้งเปิดเผยว่าศีลเป็นอย่างนี้สมาธิเป็นอย่างนี้ปัญญาเป็นเช่นนี้เนี่ยนะอริยมรรสติประธานเป็นเช่นนี้สมัมมาประธานอิทิบาตอินทรีย์พร ะ, ระโพชงองค์มรรคเป็นเช่นนี้ถ้าเธอปฏิบัติตามนี้ได้เธอจะทําที่สุดแห่งทุกได้ น, นะด้วยใจกรุณาท่านพระองค์จึงเป็นผู้แสเ ด, เดงอริยมรรสหรือมัาคาหมายถึงพระโพคธอปัตที่สุกิยธรรม ที่เป็นข้อปฏิบัติทํำให้ไม่หวนกลับมาสู่กองทุกต่อไปอีกเป็นธรรมดาเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าสัตว์ทั้งหลายกลับไม่รังเกียจทุกเนี่ยนะทางที่จะพ้นทุกไม่มีประโยชน์เลยใช่ไหมอย่างยุคใหม่สมัยใหม่เนี่ยเป็นยุคที่ไม่ได้รังเกียจความทุกขเลยยินดีที่ยินดีในความทุกขรู้สึกว่าอยู่ใกล้กับกองทุกแล้วมีความสุขเป็นต้นเนี่ยนะทางเพื่อจะให้พ้นทุกขก็เลย ไม่มีประโยชน์ทางเหล่านั้นก็เลยรกร้างว่างเปล่าในที่สุดก็รกคือมิจฉาทิฏฐิก็ฉาบทารูปไร้เสียสนิทเนี่ยนะก็เป็นอย่างนี้ทีนี้ต่อไปพุทธคุณเพิ่มว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นไม่ทรงกระเพื่อมเหมือนสาครอันใครใครเข้าเฝ้าได้ยากเหมือนบันพศอธิบายว่าอาสังโฆโพ ความว่าพระองค์เป็นผู้อันใครใครไม่อาจให้กระเพื่อมคือให้วันไหวได้ไม่มีใครทําให้พระองค์หวันไหวได้เปรียบเหมือนอย่างว่ามหาสมุทรที่ลุ่มลึก 84%, ดหมืพันยอดเป็นที่อยู่แห่งพูดหลายพันโยออันอะไรอะไรให้กระเพื่อมมิได้ฉันใดเขาก็แบ่งว่าทะเลน้ําลึกสุดๆทะเลช่วงเต้นไอช่วงกลางๆเนี่ยไม่มีใครวันไว้น้ํานิ่งอย่างเดียว เราก็มีสมุทรทะเลลึก 84,000 พโยชน์เนี่ยช่วงล่างเนี่ยก็เพิ่มด้วยพวกสัตว์เล็กๆน้อยๆสัตว์ทั่วๆไปทำให้ก็เพื่อมชั้นบนนี่ก็เพื่อมด้วยลมตัวตรงกลางเนี่ยเย็นสนิทแล้วก็มั่นคงแม่ท่านก็ตามไปดูเพื่อจะเปรียบ น, นะกซึหาเครื่องเปรียบที่เรียกนึกตามยังยากเลยมั้งพันพระองค์นี้ให้ก็เพื่อมไม่ได้อธิบายว่าพระองค์ก็ทรงเป็นผู้อันไกรใครให้กรเพื่อมไม่ได้ นะไม่สามารถจะเอาลาบความเสื่อมลาบให้พระองค์กระเพื่อมได้เอายศความเสื่อมยศเอานินทาเอาความสุขเอาความทุกข์ไปใส่พระองค์แล้วจิตใจของพระองค์จะกระเพื่อมไม่มนะีพระองค์เป็นผู้สงบและก็เยือกเย็นบทว่าอากาโซวะอนันโตความว่าเหมือนอย่างว่าที่สุดแห่งอากาศไม่มีที่แท้อากาศมีที่สุดหาประมาณไม่ได้อากาศนั้นไม่มีฝั่ง ครติดตามไปให้ถึงฝั่งแห่งอากาศฝั่งแห่งอากาศไม่พบฉันใดแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่มีที่สุดพระองค์มีพระคุณไม่มีที่สุดมีพระคุณประมาณไม่ได้อัปปามโนผู้โทไหมพระองค์เป็นผู้มีพระคุณหาประมาณไม่ได้พระคุณของพระองค์นั้นไม่มีฝั่งไม่มีที่จบไม่มีที่สิ้นพระคุณของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่ขนาดนั้น บทว่าโสได้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นบทว่าสาราราชาวัพลิตโตพระองค์นั้นย่อมงดงามเหมือนพระยาสารพฤกษ์ที่ออกดอกบานเต็มที่เพราะพระองค์ทรงมีพระศริระประดับด้วยพระมหาปริศลลักษณะและอนุพยัญชนะทุกประการแม้แต่การเห็นพระองค์นั้นก็ยังจิตให้ยินดีโโซอ่าโตสิตาคือยินดีอิ่มใจเห็นพระองค์ก็มีปีติแล้วว่างั้น แต่ถ้าได้ยินได้ฟังพระดํารัสหรือฟังพระธรรมเทศนาของพระองค์ย่อมบรรลุอมะตะอมตังคือความไม่ตายหมายถึงพระนิพพานถ้าได้ฟังคําสอนของพระองค์ผู้ประกาศอริยสัจอยู่ย่อมเห็นพระนิพพานเนี่ยนะเพราะว่าคําสอนของพระองค์ทุกสุดอย่างลงสู่นิพพานมีนิพพานเป็นที่สุดบางคนก็บอกว่าถ้ามูวแต่ศึกษาคําสอน้เมื่อไหร่จะได้นิพพานเขาอ่างนั้น โม่แต่รำ่ำโม่แต่เรียนโม่แต่ฟังอยู่นะแหละเมื่อไหรนะ่น้อจะได้นิพพานเอ๊ะน้อก็เรียนทางเพื่อถึงนิพพานแล้วไม่บรรลุนิพพานก็ช่วยไม่ได้แล้วว่างั้นก็คือว่าไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วว่างั้นก็บอกว่าก็เรียนแต่ทางเพื่อเข้าถึงนิพพานแล้วไม่ถึงนิพพานเนี่ยนะบอกว่าบางคนบอกโอ้รีบต้องรีบเดินทางบอกจะเดินไปทางไหนสัมาทิฏฐิเนี่ยใช้ก้าวใช้เท้าเดินใช่ไหม บอกไม่อริยมรตมีองค์8เนี่ยมันเดินด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจสัมมาทิฏฐินี่เป็นมนโนกรรมนะเป็นมนโนกรรมนะสัมมาทิฏฐิอนาพิชาอัพยาบาเป็นมนโนกรรมเพราะมนนโนกรรมนี่จะเดินทํำยังไงอ๋อจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะหลับจะตื่นจะพูดจะนิ่งจะทํำยังไงให้มันเป็นอริยมรตมีองค์8ล่ะนะเพราะนนั้นะการประพฤติษปฏิบัตินั้นหมายถึงการปฏิบัติตามอริยมรตมีองค์8ดเพื่อแทงตลอดอริยศาสตร์เพราะ อาศัยการฟังจากคำสอนเพื่อรู้แนวทางนั้นการศึกษาเรียนรู้คำสอนก็เพื่อให้เห็นแนวทางว่าสัมมาทิฏฐิของพระองค์เป็นเช่นใดสัมมาสังกัปปะของพระองค์เป็นเช่นใดเนี่ยนะพันการที่เราฟังพุทธวงศ์เป็นต้นเนี่ยที่สำคัญก็เพิ่มพูนสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะเพิ่มพูนสัมมาทิฏฐิจะได้รู้คุณของพระตนะไตรเพราะผู้ใดรู้คุณของพระพุทธเจ้าผู้นั้นจะรู้จักคุณของพระธรรมนิพันธ์ ผู้ใดรู้คุณของพระพุทธเจ้าและพระนิพพานผู้นั้นจะรู้คุณของพระสงค์ผู้ปฏิบัติถึงพระนิพพานถ้ารู้อย่างนั้นแล้วปฏิบัติไม่ได้ก็แสดงว่าอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าแล้วทํำยังไงก็บ่มอินทรีย์ต่อไปก็แล้วกันแล้วก็ถามว่าเหมือนอย่างว่าถ้ า, มาเมล็ดข้าวเพิ่งหวานลงไปในดินแตกยอดออกมานิดเดียวเนี่ยนะเรียกว่าแตกหน่อออกมาหน่อยหนึ่ง บอกแต่ว่าหิวข้าวอ่ะจะไปเร่งมเมล็ดข้าวอันนั้นน่ะที่มันออกหน่อยหนึ่งให้มันสุกกะทํำยังไงอ่อเมื่อมันยังไม่แก่กล้าจะไปทําอะไรได้ที่เหลือก็ระน้ําใส่ปุ๋ยพลนดินเมื่ออินรีห้ายังไม่แก่กล้าเมื่อพละห้ายังไม่บริบูรณ์เมื่อโพชงเจ็ดยังไม่เต็มที่เมื่ออารยมักไม่สมบูรณ์จะเอาอะไรมาบรรลุมันก็บรรลุไม่ได้อยู่แล้วที่เหลือทํำยังไงก็เพิ่มพูนคุณธรรมเพิ่มพูนกุศลธรรมเหล่านั้นจนกว่าจะตรัสรู้ถามว่าถ้าอย่างนั้นก็ยังไม่ตรัสรู้ ก็ทำยังไงอ่ะถ้าทำถูกเต็มที่แล้วเนี่ยนะถ้าเดิน ถ, ถูกทางและยังไม่ถึงเป้าหมายสทัทีก็มีอยู่อย่างเดียวจงภาคเพียรพยายามต่อไปเถอะพราหมเหมือนนะก็เจ้าจงพยายามภาคเพียรต่อไปอย่าเลิกอย่าท้อถ้าหากว่าเดินทางถูกแม้แต่ก้าวเดียวก็ใกล้เข้าไปทุกทีแต่ถ้าเดินทางผิดเนี่ยนะถึงจะติดเทอร์โบมันก็ยังช้าอีกอยู่ดีใช่ถึงจะไปเร็วขนาดไหนถ้าไปทางผิดมันก็ช่วยอะไรไม่ได้ น, นะ หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้นโคนโรพเพิกแล้วตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณกลายเป็นผู้ที่มีจกักจะเรียกว่าอนุมัตสี ท, ทั่วไปกลายเป็นพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นต้นพระพุทธคุณทั้งมวลก็มีครบทั่วในพระพุทธเจ้าปรองก็พักอยู่แถวบริเวณต้นโรพเพิกเจ็สัปดาห์ป้าเป็นสีไปอยู่แค่สัปดาห์เดียวเองนะ ลองไปคิดดูว่าเจ็ดสัปดาห์นี้พระพุทธเจ้าไปหยุดเตรอนอะไรเนี่ยนะแล้วกลับมาเล่าให้ฟัง